สถานีวิทิุครอบครัวข่าวสตอ FM เอฟเอระก้าปจาพระมหาภัยบณ์อาภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายศกนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นโดยบทและโดยพยยญชนะที่พระองค์ได้ประกาศาไว้สอนอไว้มาให้ท่านฟังได้ฟังนอกจากส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พระพุทธเจาของเรานั้นมีการกำหนดบทเปลียนชนะทุกครั้งก่อนการที่จะตรัสหรือจะกล่าวคําใดๆมีการเข้าสมาธินิมิแตและมีความเรียบร้อยในเรื่องของบทเปลี่ยชนะอันนี้แน่นอนแล้วก็ในคําสอนท่านผูฟังนะท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคลานะนะสาวกต่างๆที่ท่านก็มีความสามารถก็ช่วยกันบอกช่วยกันสอนในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ สืบต่อไปช่วยกันหมุนจากคือตามที่พระพุทธเจ้าได้หมุนเอาไว้ให้แล้วแต่เราเอาคําสอนต่างๆเหล่านี้มาศึกษาทําความเข้าใจให้ดีจะนําความแจ่มแจ้งในธรรมะไหนให้ได้สําหรับผู้ที่ฟังคําสอนนี้จึงเป็นเรื่องที่สาคัญในบุฟังว่าเวลาเราฟังคําสอนจากส่วนใดนก็แล้วแต่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทแต่เราจะต้องรู้หลักการชั้นของข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องแต่ว่าชั้นของข้อมูลนี้ มาจากไหนแต่เป็นพุทธพจน์หรืออย่างไรหรือเป็นส่วนที่เป็นคําอธิบายพอเรารู้ชั้นของข้อมูลแล้วใน ก, การศึกษาก็จะไม่มีปัญหาแต่เราจะศึกษาส่วนที่เป็นคําอธิบายก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ารู้ละว่าชั้นของข้อมูลคือตรงนี้เราจะศึกษาส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเรารู้ชั้นของข้อมูลแล้วว่าอยู่ตรงไหนและแน่นอนว่าเราจะต้องกลับมาหาสิ่งที่เป็นตัวแม่บทนกองคําสอนของบัพปะเจ้า ซึ่งในทางคําสอนนั้นก็จะมีอยู่หลายเรื่องหลายราวซึ่งในช่วงนี้ข้าพเจ้าก็พยายามที่จะนําเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งคําสอนเหล่านี้เป็นการอธิบายพุทธบทธท่านผู้ฟังเหมือนดีก็ได้ยกเรื่องราวจากพระสูตรตรงนั้นตรงนี้มาอธิบายเพิ่มเติมด้วยที่วันนี้ก็นําเรื่องของนางปตตาจาราซึ่งท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้เคยได้ยินเรื่องนี้แหละนะดราม่าอยู่เหมือนกันดราม่ามากเรื่องนี้ เราพูดถึงเด็กสาวใจแตกเดีที่หนีตามผู้ชายไปผููชายก็ไม่ใช่ใครอื่นก็เป็นคนใช้ในบ้านนี้เองแต่ยิ่งกว่าละครน้ําเน่อาอีกตํามวังในเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระภิกษุณีภิกษุณีที่ชื่อนางปตาจระในชีวิตตอนเป็นวัยรุ่นนั้นก็ค่อนข้างโลดโผนนิดหนึ่งหนีตามผู้ชายไปมีลูกสองคนในเรื่องราวตรงนี้เดอธิบายคาถาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่า คนที่มีอายุความเป็นอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ยืดยาวนานแต่ถ้าสามารถเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอยู่นั้นดีกว่าคนที่จะมีอายุยืดยาวนานแต่ว่าไม่ได้เห็นธรรมะใดๆแต่ที่ข้าพเจ้าต้องการจะเน้นย้ำในเรื่องของนางปตจราตรงนี้นั่นก็คือเรื่องของความสูญเสียคนที่เรารักนางปตจรานี้เสียทั้งลูกสองคนที่เกิดจากขันของตัวเองเสียทั้งสามีเสียทั้งมารดาบิดาแล้วก็พี่ชาย เรามาฟังตรงจุดที่ว่าพระพุทธเจ้านี่ยเทศยังไงให้ข้อมูลอะไรกับนางปตจราที่สูญเสียครอบครัวขนาดนั้นจนกระทั่งถึงสติฟั่นเฟือนไปจนได้สติกลับมารู้ถึงโทษภัยในวัตฏะแล้วบวชพระพุทธเจ้าให้ธรรมะอะไรเรามาฟังเรื่องนี้กันดูเรื่องของนางปตจราพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงบารอบพระ ปตาจาราเทรีตรัสพระกถานิว่าโยจะวัสสะสัตังชีเวอปัสสังอุทยัพยังเอกาหังชีวิตังสยโยปัสสะโตอุทยัพยังกบูใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่พึ่งเป็นอยู่ร้อยปีกว่าเป็นอยู่วันเดียว ของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นความเดิมในเรื่องนี้คือนางปตจารานั้นได้เป็นทิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ40โกดในกรุงสาวถีและเธอเป็นผู้มีรูปงามในเวลานางมีอายุ16ปี มารดาบิดาเมื่อจะรักษาจึงให้นางอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดถึงเมื่อเป็นเช่นนั้นนางก็ยังสมคบกับคนรับใช้คนหนึ่งของตนครั้งนั้นมารดาบิดาของนางยกนางให้แก่ชายหนุ่มคนหนึ่งในสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้วกำหนดวันวิวาห์ เมื่อวันบีบาหะนั้นใกล้เข้ามานางจึงพูดกับคนรับใช้ผู้นั้นว่าได้ยินว่ามารดาบิดาจะยกฉันให้แก่สกุลโนนก็ในการที่ฉันไปสู่สกุลผัวท่านแม้ถือบรรณาการเพื่อฉันมาแล้วก็จะไม่ได้เข้าไปในที่นั้นถ้าท่านมีความรักในฉันก็จงพาฉันหนีไปโดยทางใดทางหนึ่งในบัดนี้นี่แหละ คนรับใช้นั้นจึงรับคำดังนั้นแล้วก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะยืนอยู่ในที่ชื่อโน้นแห่งประตูเมืองแต่เวลาเช้าตรู่ในวันพรุ่งนี้หล่อนบึงออกไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งแล้วมาในที่นั้นก็ในวันที่สองก็ได้ยืนอยู่ในที่นัดหมายกันไว้ฝ่ายที่ดาเศรษฐีนั้นนุ่งผ้าบอนปอน สยายผมเอารำทาสรีระถือหม้อน้ำออกจากเรือนเหมือนเดินไปกับพวกนางทาสีได้ไปยังที่นั้นแต่เช้าตรู่ชายคนรับใช้นั้นพานางไปไกลแล้วอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไถานาในป่าแล้วได้นำฟืนและผักเป็นต้นมาเลี้ยงกัน ทิดาเศรษฐีนั้นก็เอาหมอน้ํามาแล้วทํากิจมีการตําข้าวและหุงต้มเป็นต้นด้วยมือของตนเองเสวยผลแห่งความชั่วของตนครั้งนั้นคันตั้งขึ้นในท้องของนางแล้วนางมีคันแก่แล้วจึงอ้อนบอนสามีว่าใครๆผู้อุปการรักของเราไม่มีในที่นี้ ธรรมดามารดาบิดาเป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลายท่านจะนำฉันไปยังสำนักของมารดาบิดาของฉันเถิดฉันจะคลอดบุตรในที่นั้นสามีนั้นขัดการว่าหนังผู้เจริญเจ้าจะพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้าเห็นฉันแล้วก็พึงทำกรรมกรคือการลงโทษมีอย่างต่างๆฉันไม่อาจไปในที่นั้นได้ นางแม้อ้อนบอนแล้วแล้วเล่าเลก็เมื่อไม่ได้ความยินยอมในเวลาที่สามีนั้นไปปาจึงเรียกคนผู้คุนเกิดมาแล้วสั่งว่าก็ถ้าเขาไม่เห็นฉันจะถามว่าฉันไปไหนพวกท่านพึงบอกความที่ฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนดังนี้แล้วก็รีบปิดประตูรเรือนหลีกไป ฝ่ายสามีนั้นมาแล้วไม่เห็นภรรยาจึงถามกับคนคุ้นเคยได้ฟังเรื่องนั้นแล้วก็ติดตามไปด้วยความคิดว่าจะให้นางกลับพบนางแล้วแม้จะอ้อนวอนมีประการต่างๆก็ม่อาจให้นางกลับได้ในเวลานั้นลมเบ่งที่เกิดขึ้นในคันคือลมที่เกิดเวลาที่จะคลอดบุตร ได้เกิดขึ้นในท้องของนางปันปวนแล้วนางเข้าไประหว่างพุ่มไม้พุ่มหนึ่งพูดว่านายลมเบ่งเกิดในกันของฉันปันปวนแล้วเตอนอนกลิ้งเกลี่ยอยู่บนพื้นดินคลอดเด็กได้โดยยากแล้วมีความคิดว่าเราพึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้ว ไม่มีความจําเป็นต้องไปนางปตาจราพร้อมด้วยสามีซึ่งกลับมายัางเรือนอยู่กับสามีอยู่ด้วยกันอีกเดียวก็ในสมัยอื่นอีกคั้นของนางก็ตั้งขึ้นอีกนางเป็นผู้มีคันแกแล้วจึงอ้อนบอนสามีโดยนัยะก่อนนั่นแหละก็เมื่อไม่ได้ความยินยอมจึงอุ้มบุตรด้วย เ, ยเอล ลีไปอย่างนั้นนั่นแหละแม้ถูกสามีนั้นติดตามไปพบแล้วก็ไม่ปรารถนาจะกลับครั้งนั้นเมื่อชวนเหล่านั้นเดินไปอยู่มหามเมกอันไม่ใช่ระดูการได้เกิดขึ้นท้องฟ้าได้มีท่อทานตกลงไม่ขาดสายสายฟ้าแลบแปลกๆอยู่โดยรอบดังจะทำลาย ด้วยเสียงแผดแห่งเมฆในขณะนั้นลมเบ่งที่เกิดในคันของนางก็ได้ปั่นป่วนขึ้นแล้วนางเรียกสามีมาแล้วกล่าวว่านายลมเบ่งในคันของฉันเกิดปั่นป่วนขึ้นฉันไม่อาจจะทนได้ท่านจงหาสถานที่ที่ฝนจะไม่ตกรถฉันเถิดสามีนั้นมีมีดอยู่ในมือ ตรวจดูข้างโน้นข้างนี้เห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดลาดัแบบนั้นงูตัวหนึ่งที่มีพิษร้ายกาดเลื้อยออกจากจอมปลวกกัดเขาในที่นั้นนั่นแหละสรีระของเขามีสีเขียวดังถูกเปลวไฟอันตั้งขึ้นในภายในตัว ไม่อยู่ลมลงในที่นั้นนั่นเองฝ่ายภรรยาได้เสวยทุกอย่างใหญ่หลวงแม้มองดูทางมาของเขาอยู่ก็ไม่เห็นเขาเลยจึงได้คลอดบุตรอีกคนหนึ่งทารกทั้งสองทนกำลังแห่งลมและฝนไม่ได้จึงร้องไห้ลั่นขึ้นนางจึงยืนเท้าแผ่นดินด้วยเขา และมือทั้งสองบังทารกนั้นเอาไว้อยู่ที่ระหว่างแห่งท้องของตนให้ราตรีล่วงไปแล้วสริระทั้งสิ้นของนางได้เป็นด่งสีใบไม้เหลืองเหมือนไม่มีโลหิตเมื่ออรุณขึ้นนางอุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีด่งชิ้นเนื้อด้วยเอลจูงบุตรอีกคนหนึ่ง ด้วยนิ้วมือกล่าวว่ามาเติดพ่อบิดาจอไปโดยทางนี้ดังนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่สามีไปเห็นสามีนั้นล้มตายบนจอมปลวกมีสีเขียวตัวกระด้างก็ร้องไห้รำพันว่าเพราะอาศัยเราสามีของเราจึงตายที่หนทางเปลี่ยวนี้ดังนี้แล้วก็เดินไป นางเห็นแม่น้ำอาจิระบดีเต็มเบี่ยมด้วยน้ำมีประมาณเพียงหัวเขา่ามีประมาณเพียงนมเพราะฝนตกตลอดคืนอย่างรุ่งไม่อาจจะลงน้ำพร้อมด้วยทารกสองคนได้เพราะตนมีความรู้อ่อนจึงพักบุตรคนโตไว้ที่ฝั่งนี้อุ้มบุตรคนเล็กไปที่ฝั่งโน้น ลาดกิ่งไม้ไว้ให้บุตรนอนแล้วคิดว่าจะไปที่อยู่ของบุตรคนโตไม่อาจละบุตรอ่อนได้กลับแลดูแล้วแล้วเล่าๆจึงเดินไปก็ครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแม่น้ำเยียว่วตัวหนึ่งเห็นเด็กนั้นจึงโฉบลงมาจากอากาศด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อ นางเห็นมันโฉบลงเพื่อต้องการบุรจึงยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังสามครั้งว่าสุสุเ ย, ยวไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะไกลกันจึงโฉบเด็กบินขึ้นสู่เวหาไปแล้วแม้บุรคนโตผู้ที่ยืนอยู่ฝั่งนี้เห็นมานดายกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังที่ท่ามกลางแม่น้ำ จึงกระโดดลงในแม่น้ำโดยเร็วด้วยสำคัญว่ามารดาเรียกเราเยียวโชบบุตรคนเล็กของนางไปบุตรคนโตถูกน้ำพัดพาไปด้วยประการชนนี้ตอนนางทราบข่าวมารดาบิดาตายอีกนางปตจราเดินร้องไห้รำพันว่าบุตรของเราคนหนึ่ง ถูกเหยียวโฉไปคนหนึ่งถูกแม่น้ําพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปลี่ยวเธอพบบุรุษผู้หนึ่งเดินมาจากกรุงสาบถีจึงถามเขาว่าอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าฉันอยู่ที่กรุงสาบถีนี่เองแม่เธอจึงถามเขาว่าก็ตระกูลชื่อโน้นเห็นป่านนี้ใกล้ถนนโ น, น้นในกรุงสาบถี มีอยู่ท่านทราบหรือไม่พ่อบุรุษผู้นั้นฉันทราบดีแม่แต่อย่าถามถึงตระกูลนั้นเลยถ้าท่านรู้จักตระกูลอื่นก็จงถามเถิดปตจระกรรมด้วยตระกูลอื่นของฉันไม่มีฉันถามถึงตระกูลนั้นเท่านั้นแหละพ่อบุรุษผู้นั้นแม่ฉันบอกก็ไม่ควรนางปตจระบอกฉันเถิดพ่อ บุตรผู้นั้นวันนี้แม่เห็นฝนตกคืนยันรุ่งไหมฉันเห็นอยู่พ่อฝนนั้นตกคืนยันรุ่งเพื่อฉันเท่านั้นไม่ตกเพื่อคนอื่นแต่ฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแก่ท่านภายหลังโปรดบอกความเป็นไปในเรือนเศรษฐีนั้นแก่ฉันก่อนบุรุรผู้นั้นแม่ก็เมื่อคืนนี้เรือนล้มทับ คนแม้ทั้งสามคือเศรษฐีหนึ่งภริยาเศรษฐีหนึ่งและบุตรเศรษฐีอีกหนึ่งคนทั้งสามนั้นถูกเผาบนเชิญตะกรอนอันเดียวกันแม่เอย๋ยควันนั้นยังปรากฏอยู่เลยในขณะนั้นนางปตจราไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซึ่งได้หลุดลงถึงความเป็นคนวิกลจริตยืนตะลึงอยู่ ร้องไห้บนเพอ้อเสส่วนไปด้วยกับว่าบุตรสองคนตายเสียแล้วสามีของเราก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิญตะกรเดียวกันคนทั้งหลายได้เห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นหญิงบ้าจึงถือเอาอยากเยื่อกอบฝุน่นปลอยลงบนศีรษะควางด้วยก้อนหิน พระสัสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัททั้งสี่ในพระเชตวันมหาวิหารได้ทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบา ร, รมีมาแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเดินมาอยู่ตอนนางได้ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนก็ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าปัทุมุตตระนางปตตาจารานั้นเห็นพระเถรีผู้ทรงวิเนยรูปหนึ่งอันพระปะทุมุตตระาศาสดาทรงตั้งไว้ในตําแหน่งเอตัทะคะดังเท้าส ก, กะจับที่แขนตั้งไว้ในสวนนันทวันจึงทําคุณความดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าแม้หม่อมฉัน พึงได้ตำแหน่งเลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวิัยทั้งหลายในสำนักพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับด้วยพระองค์พระปัตุมุตระพระพุทธเจ้าทรงเล็งอนาคตั่งสยานไปก็ทรงทราบว่าความปรารถนาจะสำเร็จซึจ่งพยากรณ์บ่าก็แนอนาคตการหญิงผู้นี้จะเป็นผู้เลิศกว่าพระเถรี ผู้ทรงวิเนยทั้งหลายมีนามว่าปตาจาราในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าพระสัสดาทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนาตั้งไว้แล้วอย่างนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอภินิหารกำลังเดินมาแต่ที่ไกลเที่ยวทรงดำรีว่าเว้นเราเสียผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้ได้ ไม่มีจึงได้ทรงทำนางโดยประการที่นางจะบายหน้าสู่วิหารเดินมาหมู่บริษัทเห็นนางแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้หญิงบ้านี้มาที่นี่เลยพระศาสดาจึงตรัดบ่าพวกท่านทั้งหลายอย่าห้ามเธอเลยในเวลาที่นางมาใกล้จึงตรัสว่า น้องหญิงจงกลับได้สติเถิดนางกลับได้สติด้วยพุทธานุภาพในขณะนั่นเองในเวลานั้นนางกำหนดความที่ผ้านุ่งหลุดได้แล้วทำให้เกิดหิริอดตับปากขึ้นจึงนั่งกระยองคือคุกเข่าลงลาดับนั้นบรุษผู้หนึ่งจึงโยนผ้าห่มไปให้นาง นางนุ่งผ้านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางก้าประดิ์แทบประบาททั้งสองซึ่งมีชวีวันดังทองครรมแล้วทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิดพระชจ้าคา่ะเพราะว่าเหียวได้โชบบุตรคนหนึ่งของหม่อมฉันไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามี ก็ตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเรือนทับตายเขาเผาบนเชิญตะกรเดียวกันพระศาสดาส่งสดับคำของนางแล้วจึงตรัสว่าอย่าคิดเลยปตจราเธอมาสู่สำนักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพํานักอาศัยของเธอได้แล้วเหมือนอย่างบ่า แบบนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยียวโฉบไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายแล้วที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับฉันใดน้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารนี้ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายไป ยังมากกว่าน้ําแห่งมหาสมุทรทั้งสีก็จะนั้เหมือนกันดังนี้แล้วถึงได้ตรัสพระคาานี้ว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสมีประมาณน้อยน้ําตาของคนผู้อันทุกถูกต้องแล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั้นเหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่า น้งหญิงกวมือพระาศาสดาตระอะ น, นะมะตักะปริยายาสูตรอยู่อย่างนั้นความโศกในสรีระของนางได้ถึงความเบาบางแล้วลําดับนั้นพระาศาสดาทรงทราบที่นางผู้มีความโศกเบาบางแล้วทรงเตือนอีกแล้วตรัสว่าปตาจารา ขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงไม่อยู่ก็ชื่อว่าย่อมไม่มีทีเดียวส่วนบัณฑิตควรชำระศีลแล้วชำระทางที่ยังสัต ให้ถึงนิพพานของตอนเท่านั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระกาถาเหล่านี้ว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานบิดาก็ไม่มีเพื่อต้านทานถึงพวกพ้องก็ไม่มีเพื่อต้านทานเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงามแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มี บรรดิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึ่งชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวในการจบธรรมเทศนานั่งปตาจาราเผากิเลสมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้วตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลจนแม้เหล่าอื่นเป็นนันมากบม่รู้อริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นดันงนี้แหละตอนนางปตจราทูลของบวชฝ่ายนางปตจรานั้นเป็นพระโสดาบันแล้วทูลขอบระชากับพระศัสดาพระศัสดาทรงส่งนางไปยังสำนักของพวกภิกษุณีให้บรรญชาแล้วนางได้อุปสมบท แลวปรากฏชื่อว่าปะตาจาราเพราะนางกลับความประพฤติได้วันหนึ่งนางกำลังเอาหมอตักน้ำล้างเท้าเทน้ำลงน้ำนั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดครั้งที่สองน้ำที่เทลงได้ไหลไปไกลกว่านั้นครั้งที่สามน้ำที่เทลงได้ไหลไปไกล แม้กว่านั้นด้วยประการะนินางถือเอาน้ํานั้นนั่นแลเป็นอารมณ์กำหนดไวยทั้งสมแล้วคิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปรมตูมไวก็มีเหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งแรกตายเสียในมัชชีมะไวก็มีเหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งที่สองไหลไปไกลกว่านั้น ตา้เสียในประชิมวัยก็มีเหมือนน้าที่เราเทลงครั้งที่สามไหลไปไกลแม้กว่านั้นพระศาสดาประทับในพระกันทะกุูดีทรงแผ่รัศมีไปเป็นดังประทับยืนตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนางตรัสว่าปตจราข้อนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยว่าความเป็นอยู่วันเดียวก็ดี คณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งขันทั้งห้าเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งขันทั้งห้าเหนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบต่ออนุสนธิจึงตรัสพระกานิวาโยจาวะ สัตังชีเวอป ส, สังอุทยับพยังเอกะหังชีวิตตังสยโยปัสสะโตอุทยับพยังกบูใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมอยู่พึ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ ของผู้นั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัปสังอุทยับพยังคือไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่หมายความว่าไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่ด้วยลักษณะ25สหแห่งเบญจขันธ์คำว่าปัสโตอุทยัยพยังแปลว่า ของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมหมายความว่าความเป็นอยู่แม้วันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งขันทั้งหเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของบุคคลแรกนั้นในการจบเทศนานั่งปติจาราบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายดังนี้แล เรื่องนางปตาจาราจบในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอราหารันต์ธรรมฟังนั่นคือภิกษุณีที่ชื่อปตาจาราแต่ทำความเข้าใจเกี่ยวท้องเรื่องในเนื้อหาเรื่องนี้สักนิดหนึ่ง น, น, นี้เป็นธรรมเนียมของอินเดียในสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่ธรรมฟังที่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยหลังจากที่แต่งงานไปสู่ตระกูลของสามีแล้วไปอยู่บ้านของสามีตอ น, น, นที่ มีลูกเขาก็จะนิยมกลับมาคลอดที่บ้านของพ่อแม่ของตัวเองอันนี้เหตุผลก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแลการบริหารกันต่างๆด้วยแต่บัพบุจฉะของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์ประมาณดาเนี่ยก็กําลังเดินทางกลับไปเพื่อที่จะคลอดที่บ้านเดิมของตัวเองแต่ถึงแม้บ้านแน่นอนความเป็นกษัตริย์ก็จะมีคนดูแลเยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่า น, นี่เป็นธรรมเนียมของเขาด้วย ซึ่งในกรณีของนางปตจราตอนที่เป็นวัยรุ่นห น, นีตามผู้ชายไปก็ลักษณะนี้เหมือนกันแต่ถึงจุดตรงที่น่าสนใจที่ว่าหลังจากที่นางเสียลูกทั้งสองเสียมารดาเสียบิดาเสียพี่ชายไปแล้วเนี่ยเหลือตัวคนเดียวแล้วจนกระทั่งจิตใจมันวิปร้าดไปผ้าหลุดลุยออกไปก็ไม่รู้ตัวเนี่ยพเพอร์ว่ายังเป็นคนที่ได้ทํากรรมดีเอาไว้ในการก่อน นั้ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าใน ต, ตรงจุดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงกลับได้สติเถิดนี่คือคําตรัสที่พระพุทธเจ้าพูดไปตรัสไปให้นางปตจาราที่เผลอสติไปแล้วเชื่อภาก็ไม่ได้นุ่งได้กลับได้สติแตคือตรงนี้ยังไม่ได้เห็นธรรมะนั้นทำฟังเป็นแต่เลึกได้เฉยๆแตกลับได้สติขึ้นมาซึ่งเทคนิคของพระพุทธเจ้าในที่นี้ทแา่บางครั้งก็เปล่งรัศมีไปบ้าง บางครั้งก็พูดด้วยความสามารถของพระองค์คือมีเสียงเหมือนพรมพูดเหมือนนกกระวิชแต่ได้ยินตรงนี้เป็นผู้ตานุสติแน่นอนแต่ได้ยินเสียงพระบรุตรเจ้าเราก็เริ่มฟังธรรมนตินี้แต่ธรรมะที่บุตรเจ้าเทศในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบกับน้ําตาลที่ไหลออก่เศร้าโศกมากใช่ไหมเอาตรงเศร้าโศกนี่แหละน้ํายอกเอาน้ําบ่มซะเอาน้ําตาที่ไหลออกมาเสียลูกไหลออกมากี่ขันกี่ลิตร เยสามีเสียบิาดามบิดาเสียพี่ชายเอามารวมกันเนี่ยน้ำตาที่หลั่งไหลออกมานี่นะมันยังมากกว่าน้ําทะเลในหมาสมุทรทั้ง4ด้วยซ้าแล้วอาจากตรงไหนมารวมตรงไหนซึ่งในท้องเรื่องตัวนี้ได้พูดถึงอะนะมะตักขะปริยายาสูตรนี่อะนะมะตักขปริยายาสูตรถ้าเราไปดูในพระสูตรนี้อยู่ในสังยุตติกายเราจะเห็นได้ว่าแม้ในคําอธิบายเนี่ยท่านก็จะยกพุทธวจนะ จากตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่เป็นลักษณะการอธิบายที่พูดถึงในพระสูตรอื่นๆซึ่งถ้าเราไปดูในอนมะตักะปริยายสูตรเนี่ยซึ่งไม่ได้ปรากฏตามในท้องเรื่องแต่เพียงแต่อ้างถึงชื่อเฉยๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ให้กับนามปตาจาราฟังละ่ละในพระสูตรตรงที่รียกวะะนมะตัคะปริยายสูตรนี้นับพระพุทธเจ้าได้รายยาวเลยท่านฟังและเปรียบเทียบถึงความยาวนานของสังสารบัตเนี่ย เพราะมันยาวนานมากเนะ่เหมือนกับถ้าเราเอ า, าแผ่นดินนี้มาปั้นเป็นก้อนสมมุติว่าก้อนเท่าเม็ดกระเบลเนี่ยนะก็ประมาณสักหนึ่งในสหรือว่าครึ่งหนึ่งของลูกพิงปองนี่แหละเล็กกว่าลูกกอล์ฟอีกแล้วนะมาปั้นส ม, มมุติว่าันนี้เป็นพ่อนะเน้เ่ย เ, เอาดินมาปั้นอีกลูกที่สองสมมุติว่านี้เป็นพ่อของพ่อนะเนอาลูกที่สามมาปั้นอีกเนะ่ยเป็นพ่อของพ่อของพ่อเนะี่ยปั้นไปเรื่อยๆ DevOps, จนกระทั่งแผ่นดินนี้หมดเนี่ยพ่อของพ่อของพ่อของพ่อแล้วก็ของพ่อนี่ ยังไม่หมดเลยนะแม่ล่ะแม่ก็เอาญ้าไม้กิ่งไม้เนี่ยมาสมมุติเอานะมาทําเป็นมัดมัดละเท่ากับ4นิ้ววางเอาไว้นะตัดไม้ตัดญ้ามาอีกทําเป็นมัดอีก4นิ้วมัดที่2สมมติว่าเป็นแม่ของแม่นนะั้จนกระทั่งแม่ของแม่ของแม่แล้วก็ของแม่นีย่ยังไม่หมดแต่ว่านยะ่าไม้กิ่งไม้พวกนี้หมดสิ้นหมดแล้วดนตรัสถึงเรื่องของน้ําตาดิเหมือนกันในตลอดสังสารวัตรเนี่ยเจอความทุกข์แ ล, ล้วน้ําตาไหล เอาน้ำตาพวกนี้มารวมๆกันแต่ถ้ามันเป็นของที่พอจะเอามารวมกันได้แล้วไม่สูญเสียไปเนี่ยแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับน้ําทะเลในมหาสมุทรทั้ง4น้ําทะเลนัมบูฟังน้ําทะเลนัทบูฟังเอาแค่ว่าในอ่าวไทยอ่ะโอ้โหมันก็มากเกินกว่าที่จะนับได้ว่ากี่ลิตรกี่ลิตรแค่นั้นยังไม่พอแต่ยังเปรียบเทียบถึงน้ํานมมารดาถ้าคุณกินนมแม่เนี่ยคุณเกิดในสังสารวัต t ี้เนี่ย เอาเฉพาะนมแม่ที่คุณกินนะนมกระป๋องไม่เอานมชงไม่เอานมวัวไม่เอาเอาเฉพาะนมแม่เนี่ยคุณกินนมแม่เนี่ยมากกว่าปริมาณของน้ําทะเลในหมหาสมุทรด้วยซ้ําแต่ยังรวมถึงการที่จะมานับว่าสังสารวัตรในยาวนานเท่าไหร่เนี่ยโอ้มันนับไม่ได้เอาแค่ว่าหน่วยที่คุณจะมาวัดเนี่ยเป็นหนึ่งกับนี่ก็ยาวนานมากอย่าได้ตรัสรู้ความที่หนึ่งกับนี้เนี่ยเหมือนกับเอากองกระดูกมากองกองเอาไว้เนียใหญ่กว่าภูเขา ไวบุญเป็นพดอดีหรือว่าจํานวนเมล็ดทรายที่อยู่ในแม่น้ํำคงคาในรบรรพุชาวยังได้ตรัสถึงถ้าเราเห็นคนที่เจอมีความทุกข์เราก็ให้มั่นใจได้เลยว่าเราก็เคยทุกข์แบบนี้มาเจอคนที่มีความสุขก็ให้มั่นใจได้เลยว่าเราก็เคยมีความสุขแบบนี้มาอั น, านี้คืออนนามัตตคะปริยายยะสุดอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้นางปตจราฟังฟังเรื่องนี้แล้วแล้วก็เห็นดำละมีดวงตาเห็นดำ ได้เป็นโสดาบันสมัยต่อมาหลังจากบวชแล้วก็ทําความเพียรเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เห็นนิมิตนิมิตในที่นี้คือเครื่องหมายที่เธอได้เอาน้ํำล้างเท้าตัวเองเห็นสายน้ําที่ไหลไปมันไม่เท่ากันได้เกิดเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ถึงธรรมะนี้ขึ้นมาก็อยู่ในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของนานปตาจาราก็คือว่ า, าการสูญเสียคนที่เรารัก เราจะพิจารณาอย่างไรในให้ถึงความที่จะคลายความทุกข์ตรงนี้ได้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าต้องการติดต่อกับข้าพเจ้าก็สามารถที่ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรม .com ได้ท่านผู้ฟังก็สามารถฟังย้อนหลังหรือว่าข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์ได้หรือว่าถ้าต้องการจะเขียนไปจดหมาย ก, ก็เลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์สี่หนึ 30, น่งหนศูนย์